เอาสัมรวมจิตใจดีๆย้ำย้ำลงไปเลยปักลงไปวันละวันนี้เรามอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ด้วยอาศัยสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสุรุเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญมากทําให้การมอบกายถวายชีวิตของเราเนี่ยมันยิ่งมีกําลังมากแล้วก็มีครูบาอาจารย์เบื่อเป็นประจับเป็นพยานยืนยันรับรอง ทำให้มันมีอนุภาพมากเราก็ย้ำเข้าไปที่จิตใจของเราเราไม่ถอยแล้วเราไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราจะต้องเดินตามพระพุทธเจ้าต่อไปเราเหมือนคนหลงทางละหกระเหินในวัฏสงสารมายาวนานมากแล้วบัดนี้เราพบล่องรอยของพุทธเจ้าแล้วเหมือนพบลอยพระบาทของพระองค์แล้วตามมาจนถึงสถานที่ตัสรู้ของพระองค์แล้วในวันนี้ เดียวเราขอสละชีวิตของเราเลยจะขอเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าต่อไปการเดินตามพระเจ้าก็คือการสัมรวมจิตใจเรานี่แหละสัมรวมจิตใจของเราเพราะพระพุทธเจ้าท่านตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าก็พอพระท่านฝึกจิตของพระองค์เองเพราะฉะนั้นพระไทยของพระองค์นี่ต้องสงบเยือกเย็นสะอาดบริสุทธิ์ไม่สัด ส, สายไปทางไหนเลย เพราะนั้นการที่ใครก็ตามสามารถรักษาจิตของตัวเองได้มีคุณค่าของชีวิตอยู่ที่นี่เลยแก่นสารสาระของชีวิตอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นนะเราแค่เอาจิตเรากลับเข้ามาเนี่ยถ้าจะว่าเป็นการตอบแทนคุณพระเจ้าว่าเป็นการตอบแทนคุณสูงสุดเลยเป็นการบูชาที่สูงสุดเลยเนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าบุคคลในปฏิบัติธรรมบุคคลนั้นชื่อว่าบูชาเราตถาคต เป็นการบูชาเหนือการบูชาทั้งพวงเป็นการบูชาอย่างแท้จริงด้วยแล้วก็เป็นการตอบแทนคุณผู้มีพระคุณด้วยเพราะอันนี้มันยิ่งใหญ่อันนี้มันมีคุณมากเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดในธรรมชาติไหนก็ตามการที่เอาจิตของเรากลับเข้ามาได้นี้เรียกว่ามันตรงทางของพระเจ้าทุกพระองค์แล้ว มันเป็นสิ่งประเสริฐจริงๆไม่งั้นพระพุทธเจ้าก็คงไม่สร้างบา ร, รมีเพื่อตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนตัดสรู้แล้วก็บอกทางเอาไว้ให้สาวก ข, ของพระองค์เราก็เป็นผู้ที่โชคดีจริงเรียก ว, ว่ามีบุญมีบา ร, รมีพบคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราเวียนไหวตายเกิดมีผู้มีพระคุณต่อเราทั้งพ่อแม่ชาตินั้นชาตินี้ทั้งนั้นละ่ะหรือว่าใครก็ตามที่มีบุญมีคุณต่อเราเนี่ย เราตอบแทนคุณได้หมดด้วยการเอาจิตของเราเนี่ยกลับเข้ามาให้มันมาอยู่ภายในนี้ยิ่งใครจิตสติรักษาจิตได้มากนี่แหะตอบแทนคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยใครมีพระคุณมากเช่นพระพุทธเจ้านี่ก็ตอบแทนคุณพระองค์แล้วปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์แล้วบูชาพระองค์แล้วพระองค์ก็รับรองเองนี่บุคคลใดปฏิบททัติธรรมบุคคล น, นั้นชื่อว่าบูชาเราตถาคต นี่แหละตอบแทนคุณบูชาคุณมันสูงสุดเลยเนี่ยไม่มีอะไรเทียบเทียมแล้วเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่วันนี้เราต้องเอาจิตเรากลับเข้ามาไม่ทรงส่ายไปทางไหนแล้วขอว่าพระพุทธเจ้าตัดสรุ้ก็ตัดสรุ้เพื่อให้พระไทยของพระองค์สงบเยือกเย็นสะอาดบริสุทธิ์ถึงเรายังไม่ถึงขนาดสะอาดบริสุทธิ์หมดจดแต่ว่าแค่เราเอาสติควบคุมจิตให้จิตกลับเข้ามาอยู่กับตัวเราได้เนี่ย แค่นี้เราก็พบแล้วว่ามันมีความสุขมันมีความสงบมีความเยือกเย็นจริงๆอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามเราต้องรักษาจิตของเรา น, นั้นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเราจะได้เห็นว่าโอ้การเรียนว่ายตายเกิดของเราเนี่ยประสบการณ์ในชีวิตของเรามันมากมายมันไม่ได้ว่าจะได้ดังใจเราทุกอย่างไม่ใช่จะสมปรารถนาทุกอย่าง เราอยากจะได้ต้องการบรรยากาศที่สงบเยือกเย็นอยากจะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าให้ถึงอกถึงใจแต่ว่าเสียงดังก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเราเราคิดว่านี่เป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราจะไปบังคับควบคุมธรรมชาติทั้งหมดไม่ได้เราต้องมารักษาใจเรานี่คือหน้าที่ของสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ดําเนินชีวิตอย่างนี้ ข้างนอกจะเป็นยังไงจะวุ่นวายขนาดไหนแต่ความสําคัญคือจิตของตัวเองพอสุขก็อยู่ที่จิตทุกข์ก็อยู่ที่จิตปัญหาก็เกิดขึ้นที่จิตไม่มีปัญหาก็เกิดขึ้นที่จิตพอเรารักษาใจได้ก็สบายๆมันจะดังค่อยดังแรงก็ไม่เป็นไรอะยิ่งดีด้วยมีเครื่องทดสอบเราก็ยิ่งดีเพราะว่า เราได้เห็นจิตของเราเองเราได้เรียนรู้เสียงจะดังขนาดไหนฟังไม่รู้เรื่องขนาดไหนถ้าใจของเรามันมุ่งเข้ามามันเข้ามาอยู่กับตัวเราเนี่ยไอตัวนั้นละ่ะมันเป็นเครื่องวัดผลอย่างดีเลยเป็นเครื่องทดสอบอย่างดีเลยเป็นบทเรียนให้แก่ตัวเราอย่างดีเลยเรียนรู้จากของจริงเลยให้รู้ว่าโอ้ถ้าเรายังมีชีวิตยอยู่ ธรรมชาติข้างนอกก็มีสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีสำคัญตรงเราเนี่ยตัวเราคำว่าตัวเราเนี่ยมันสำคัญมากถ้าเราอยากให้มันเงียบปุ๊บเนี่ยจิตความอยากมันนาหน้าเราแล้วเราก็จะเริ่มมีความลุ่มร้อนขึ้นมาแล่ะเพราะว่าธรรมชาติข้างนอกมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่ความอยากของเรา เสียงากดังก็ดังขึ้นมาบอะคนอื่นเขาก็ทําไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเขาคิดว่ามันดีสําหรับเขาเขาก็ทําไปสําคัญตรงใจเราอ่ะเดือดร้อนไหมนี่ถ้าใจเราเป็นปกติได้อา่าวดังก็ดังไปอ่ะเราก็เข้าใจโอ้ยอย่างนี้เองชีวิตนี่แหละคือชีวิตมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตขนาดเรามาเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงสถานที่ตรัสรู้เรามุ่งหวังจะฟังธรรมจะปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ แต่เราก็ไม่สามารถควบคุมธรรมชาติควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเสียงดังก็เป็นไปตามธรรมชาติของเสียงเป็นธรรมชาติของมันแต่ว่ามันมีตัวเราแทรกขึ้นมาในธรรมชาติอันนี้ถ้าเราวางจิตของเราเป็นปกติสงบเป็นธรรมชาติพยายามรักษาความเป็นธรรมชาติเอาไว้ยอมรับความจริงตามธรรมชาติ จิตของเราก็จะเป็นปกติได้ความรู้สึกว่าเป็นตัวเราก็ไม่รุนแรงขึ้นมาไม่ปะทุขึ้นมามันก็สงบระงับอยู่ได้ถึงจะมีอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ถึงกับสร้างปัญหาให้แกเรานี่แหละการฝึกจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็การฝึกจิตเนี่ยเราไม่สามารถอยู่ใต้ต้นสีมหาโพตลอดเวลา เพราะว่าเรามาชั่วคราวเดี๋ยวเราก็จากไปพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกจิตทุกขณะทุกโอกาสไม่ใช่รอเวลาว่าเออจะต้องมาถึงสถานที่ตัดสู่ของพระเจ้าแล้วเราจึงจะมีสติรักษาจิตเราได้ที่อื่นเราจะปล่อยปะละเลยอันนี้ก็น่าเสียดายมากวันนี้ที่นั่งอยู่ที่สนามบินอะมองไปโอ้จิตของแต่ละคนนี่ทาไมมันไหลออกไปมันเพลินไปมันไม่อยู่กับตัวเลยอะ มีน้อยที่จิตมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเห็นหนูน่นเห็นหนี่มันก็ไหลออกไปแล้วได้ยินนู่นนี่มันก็ออกไปแล้วรับประทานโนนียมก็ออกไปอีกแล้วพูดคุยกันก็ออกไปอีกแล้วนั่งเครื่องบินก็ออกไปอีกแล้วบางคนก็เออดีอยู่พยายามที่จะควบคุมพยายามระมัดระวังก็ได้รับประโยชน์ไปางคนที่จะได้รับประโยชน์จากคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ต้องเห็นการฝึกจิตใจเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ด้วยเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาแบบนี้ได้ตลอดเวลาไม่สามารถจะเข้าวัดได้ตลอดเวลาเพราะว่าฐานะของเราเป็นคาราวาแล้วฐานะของเรามันก็ยังอยู่กับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันก็ต้องมีหน้าที่การงานมีสิ่งที่ควรจัดควรทํามีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบ ถ้าเราไม่เอาเวลาเหล่านั้นมาฝึกจิตเราแล้วเราจะฝึกเมื่อไรอะ่ะตลอดชีวิตของเรามาได้ไม่กี่ครั้งเนี่ยมาครั้งหนึ่งก็ปีหนึ่งก็เอามาครั้งหนึ่งก็ไม่กี่วันเองหรือมาแต่ละครั้งก็ไม่กี่วันเองแล้วถ้าเรากลับไปเราไม่สำรวมระวังเนี่ยไอ้ที่มาปฏิบัติมาเรียนรู้มาศึกษามันก็หายไปได้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็เปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันตกอยู่ภายใต้กฎพ ร, ระไตรัสรั์เท่านั้นแหละหรือเรามาแล้วเรารู้เราเข้าใจแล้วที่นี่เวลาเดินทางละ่ะกลับไปโรงแรมไปไปที่พักอะ่ะเราจะปล่อยใจได้ไหมถ้าเราปล่อยใจมันก็เหมือนกับว่าเราก็ยังประมาทอะ่ะเราจะมาเอาแค่มาตั้งนั่งอยู่ใต้ต้นสีมาโพค่เนี้ยแล้วเวลาส่วนใหญ่เราทําแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่เพียรพยายามด้วยตัวเราเองเนี่ย ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากคําสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ น, น้อยแต่ถ้าเราตั้งใจถ้าใครตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะปฏิบัติพยายามปฏิบัติตามคําคสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นก็นคือต้องมีสติสตนี่แหละรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้พยายัมรวบรวมกําลังใจของเราเข้ามารู้สึกตัวไ ว, าาวไ้ธรรมชาติของกิเลสของตัณหาเนี่ยของอวิชชาเนี่ยมันอยากจะให้เราทรงออกอย่างเงงออกไป มันจะไหลออกไปมันจะเพลินออกไปมันรู้สึกว่าถ้าเพลินแล้วมันจะสนุกมันจะสบายมันจะมีความสุขใครอ่ยากให้เรามีความสุขตัวอยากตัวตัณหาตัณหามันอยากให้เรามีความสุขเพราะมันหลงว่ามีตัวเราหลงว่ามีตัวเราแล้วก็อยากให้เรามีความสุขแล้วสุขจริงไหมเราดูเองก็ได้วันที่เราเกิดมาแล้วเราทําตามความอยากความต้องการเนี่ยตามตัณหาเนี่ยมันสุขจริงไหม หรือคนทั้งหลายในโลกเนี่ยที่วิ่งตามความอยากความต้องการเนี่ยมันสุขจริงไหมสุดท้ายมันก็เอาความทุกข์มาให้เราสุดท้ายมันก็หลอกเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยวนเวียนไหวตายเกิดอยู่ไม่จบไม่สิน้นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงเราไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราก็เลยไม่รู้ความจริงเราก็เชื่อแต่ตัณหาคือความอยากของเรา ไอ้ตัณหานี่มันก็ดูเหมือนว่ามันจะมีความห่วงให่เรามากมันจะรักเราอยากให้เรามีความสุขมันเราคอยบอกเราอยู่เรื่อยเอานั่นซี่แล้วจะมีความสุขทำอย่างนั้นซี่จะมีความสุขพูดอย่างนั้นซี่จะมีความสุขดูนั่นซี่จะมีความสุขมันชี้เราอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าเราไม่เข้มแข็งอ่ะเราตกเป็นทาตุของมันอ่ะก็คือเรายอมแพ้มันอ่ะเราเป็นทาตตัณหาตัณหามันเหตุแห่งทุกข์นี่มันเชื่อมันได้ไหม นี่แหละไอ้ตัวนั้นแหละคือเหตุแห่งทุกข์ที่เราทําตามมันอยู่นั่นแต่มันจะบอกว่าอยากให้เรามีความสุขทํานี่สิมีความสุขได้นั่นสิมีความสุกกินนั่นสิมีความสุขกินนั่นสิมีความสุกนนั่นสิมีความสุกนี่มันก็หลอกเราให้จิตเราปรุงแต่งไปไหลออกไปเพลินออกไปด้วยอํานาจตัญหาทั้งหมดเบื้องหลังของมันก็คืออวิชชาความไม่รู้ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจริงๆเป็นยังไงที่จริงมันก็แค่ว่าอยู่ชั่วคราวเฉย คือไม่รู้ยศตสีนั่นแหละก็คือไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ชั่วคราวเฉ ย, ย, อยเดี๋ยวมันก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วไอ้ตัวจิตมันก็หมุนไปตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่เนี้ยตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เกิดมาก็เอาอะไรมาไม่ได้พอมาเจออะไรอยู่ในโลกก็หลงไปเพลินไปเพลิดเพลินไปบางทีก็มีความจําเป็นอย่างข้าวปลาอาหารอย่างนี้แต่ก็ไปหลงยึดอีกได้เงินได้ทองจะไปซื้อข้าวปลาอาหารมา เพื่อใเรามีชีวิตอยู่มันก็หลงว่าสิ่งนั้นสำคัญที่สุดอีกก็มุ่งแต่แสวงหาเงินทองเข้าของอะไรถ้ามีมากแล้วเรารู้จักใช้มันเออรู้ว่าเอออันนี้มันเป็นของที่มันเป็นปัจจัยทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้แล้วก็มีความสุขความสบายเราใช้มันอย่างเป็นอิสระเป็นนายเหนือมันอันนี้ไม่เป็นไรนะเนี่ยเพราะเราใช้มันด้วยปัญญาเราเกี่ยวข้องกับมันด้วยสติปัญญาไม่ไปลุ่มไปหลงมัน เหตุผลที่เราเนี่ยไปมีอุปทานยึดนั่นยึดนี่ก็เพราะความมีเรานี้เองลุกจริงๆก็คือว่ามันหลงว่าเป็นเราแท้ๆเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยพระองค์ตรัสรู้ว่าไม่มีเราไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติเฉยๆสักว่าธาตุตามธรรมชาติสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่านา้ำคือปัญญามันทะลุเข้าไปข้างในอะ่ะ มันเข้าไปถึงจริงจร่ะรวมทั้งสาวกของพระเจ้าด้วยผู้ที่หลุดพ้นเนี่ยก็จะต้องเห็นแบบเดียวกันกับที่พระเจ้าทรงบรรลุนั้นคือไม่มีเราแน่นอนเด็ดขาดลงไปเลยจิตเนี่ยมันไม่ยึดอะไรเลยมันไม่ไมเอาอะไรมาเป็นตัวเราได้ฝึกจนกระทั่งปัญญามันแ ก, ก่กล้าเพราะนั้นมันจึงเริ่มด้วยการที่มีสติคุมจิตไว้ก่อนเพราะจิตมันไหลออกไปข้างนอกอะอย่างที่ว่านั่งที่สนามบินนะ่ยสงสารสงสาร โอคนจะมาสแสวงหาธรรม ะ, ะมาเอาธรรมะก็เลยไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ตรงไหนอ่ะใจก็เพลินไปเดินไปเดินมาจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมิแต่จะไหลไปเพลินไปชีวิตเลยเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยอะมีชีวิตอยู่แต่ขาดสติเนี่ยขาดสติเนี่ยผู้เจ้าก็บอกนะใครใครเวลาไหนช่วงไหนที่ขาดสติอะเหมือนคนตายแล้วอ่ะตรงนั้นเรียกว่าประมาทเลยอ่ะ มันก็เสียดายเวลามองแล้วก็สงสารด้วยอ่ะแล้วก็เรื่องราวมันเข้ามามันก็จิตไม่มีสมาธิมันเป็นยังไงอ่ะมันก็ไหลไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้บางเรื่องมันก็ทำให้เราเหน็ดเหนื่อยได้นะทำให้เราเจ็บปวดได้ทำให้เราทุกข์ทรมานได้เพราะเราไปมีอุปทานในเรื่องนั้นอ่ะนี่แหละความทุกข์มันมามันก็มาในรูปของความคิดนี่เองมันคิดขึ้นมามันนึกขึ้นมามันปูเอามาปรแต่ง แล้วเกิดเวทนาขึ้นมาสุขบางทุกข์บางลุ่มเลา้าหรือไม่สุขไม่ทุกข์มันก็วนเวียนแบบเมอแบบไม่รู้แจ้งมันก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรกับชีวิตเลยอ่ะแต่พระพุทธเจา้าท่านสอนให้มีสติให้รู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้ถ้าใครทำอะไรอยู่รู้สึกตัวอยู่เนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนสตินี่มันจะค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้น สติก็จะคุมจิตพอสติคุมจิตจิตมันก็อยู่กับตัวเราถ้ามาที่นี่ยิ่งสบายเพราะว่ามันสิ่งแวดล้อมมันเหมาะสมมันสมควรแค่เรารวบรวมจิตของเราขึ้นมาเข้ามาอยู่ข้างในแล้วเอาชนะนิวรณ์ให้ได้อย่าให้หลับนะทำให้ตื่นทำให้ตื่นยังไงยังไงต้องให้มันตื่นให้รู้ถ้าตื่นรู้เดี๋ยวจิตมันก็มีกาลังขึ้นมาคือจิตของเราเนี่ยมันไม่ต้องมีคุณสมบัติ ที่พอดีกับอนุภาพภายนอกกับกําลังภายนอกกับพลังภายนอกมันริงจะสื่อรับกันได้แต่มันมีบอลคอบงำอยู่ถ้าจิตเราไหลไปอยู่หรือมีความอยากอะไรมากั้นมาขวางมันเข้าไม่ได้เพราะนั้นเราต้องปล่อยสบายๆทำสบายๆเหมือนไม่มีเราอะ่ะแล้วปฏิบัติก็ปฏิบัติแต่ว่าไม่ให้รู้สึกว่าเป็นเบาปฏิบัติแค่ขอให้ได้ปฏิบัติขอให้ได้ปฏิบัติตทาสบายๆ วางจิตให้มันถูกต้องได้มากใดน้อยไม่เป็นไรถ้าอย่างนี้มันก็สบายอะ่ะสงบไม่สงบไม่เป็นไรอะ่ะก็เราก็อุตส่าห์ได้ทําเต็มที่แล้วนี่เดินทางมาจนถึงสถานที่แห่งนี้แล้วถึงที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วใดมากใดน้อยไม่เป็นไรจะขอปฏิบัติบูบชายิ่งการกระทําของเรามันมันเต็มที่อะ่ะไอการเดินทางมามันไม่ธรรมดาคนที่จะเสียสละได้ขนาดเนี้นี่ มันก็บอกให้รู้แล้วว่าเราเนี่ยศรัทธาเลื่อมใสในพระเทเจ้าจริงตั้งใจจริงแค่นี้มันก็มีพลังขึ้นมาแล้วในจิตใจของเราแล้วยิ่งเราสามารถที่จะทำจิตเอาจิตกลับเข้ามาเนี่ยแค่เราบอกว่าเนี่ยเราศรัทธาเลื่อมใสพระเจ้าจริงมันเหมือนกับประกาศประกาศความจริงออกไปขณะที่เราประกาศเนี่ยจิตเรามันก็ถูกเปิดเผยออกมาด้วยเพราะมันเป็นความจริงคนนี้ศรัทธาจริงเนี่ยถ้าผู้ที่มีหูทิพตาทิพเขาเห็นเนี่ยเขารู้ รู้วาลจิตเนี่ยได้ยินเห็นด้วยโอ้จริงรับรองก็ต้องอนุโมทนาชื่นชมสิเขาก็ชื่นชมจิตของเขาก็ต้องศรัทธาเลื่อมใสจิตเขาก็ต้องดีพลังดีๆมันก็เข้ามาถึงจิตเราได้มีความศรัทธาเลื่อมใสความตั้ง อ, อกตั้งใจล้วนแล้วแต่มันจะมีกําลังทั้งนั้นทำให้จิตเรามีพลังยิ่งยิ่งเรามาที่นี่ถ้าใครตั้งใจจริง ว่าจะพยายามถือว่าเรามาปฏิบัติเลยว่าอย่างนี้มันเป็นคอร์สอย่างเข้มเลยนะเนี่ยที่จริงเนี่ยเพราะว่าเราอุตส่าห์เดินทางมาแล้วเนี่ยเพราะนั้นไม่ว่าที่พักจะหลับจะนอนทั้งนั้นเลยก่อนหลับเราต้องตั้งสติขึ้นมาให้ได้อย่าปล่อยใจอุปสรรคอะไรขึ้นมาเอาเป็นเครื่องมือฝึกจิจเราให้ได้รักษาจิตอย่าให้เราเผลอไปปล่อยใจไปกับเรื่องราวข้างนอกเพราะมันเสียเวลาอย่างที่เมื่อกี้ เรานั่งอยู่ดีๆเสียงมันดังขึ้นมาเฉยๆเพราะเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนได้ก็นิดๆหน่นนอยๆหน้าที่ของเราก็คือต้องรักษาจิตเราเพราะพระพุทธเจ้าก็สอนตรงนี้พระองค์ก็ฝึกพระไตยฝึกจิตของพระองค์จืกระทั่งสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่มีอิทธิพลต่อพระไตยของพระองค์ได้เรียกว่ายิ่งมีปัญหามากปัญญามันก็ยิ่งมาก เพราะมันจะต้องรักษาตัวเองคือตัวจิตนี้พอฝึกไปถึงที่สุดของมันแล้วนี่มันจะรักษาตัวมันเองมันจะไม่ให้ตัวเองเป็นทุกข์เด็ดขาดมันเป็นทุกข์ไม่ได้หมายคือว่าเป็นทุกข์เมื่อไหร่โง่เหมือนนั้นเลยมันไม่ยอมโง่เพราะมันฉลาดพอแล้วมันฉลาดเกินกว่าที่จะทําทให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้นี่คือจิตของพระอรหันเพราะนั้นเป้าหมายของผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องมุ่งตรงไปที่ความไม่มีทุกข์ เหมือนกันแต่ว่าระหว่างที่ปฏิบัติได้มากได้น้อยไม่เป็นไรแต่เรามีเป้าหมายแล้วถ้าปฏิบัติถูกต้องทุกต้องน้อยลงไปเพราะนั้นการเดินทางของชีวิตเราเนี่ยจะต้องหาทางให้ทุกน้อยลงไปแล้วทุกมันจะน้อยลงไปมันต้องเริ่มดูตั้งแต่พื้นฐานการเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต้องถูกต้องดูสิไม่ใช่ว่าจะมาปล่อยปะลาแล้วเลยแล้วจะมาออกจากทุกมันไม่ได้ พอพอไปผิดพลาดบุกพร่องในการดำเนินชีวิตปั๊บมันจะมีผลต่อจิตเราจิตเราจะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีเลยพอเดือดร้อนแล้วเรารักษาจิตไม่ได้นะจิตสติก็คุมจิตไม่อยู่ล่ะคุมจิตไม่อยู่จิตก็ไม่มีสมาธิอะไรมันก็มีแต่ฟุง้งซ่านมันก็มีแต่เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาปรุงแต่งเรื่องเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นสําคัญไปที่นี่กลายเป็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องของชีวิตเรา บางทีถ้าเอาธรรมะเข้าไปดูมันมันไม่น่าดูเลยอะ่ะแต่คนที่หลงอยู่อะคิดว่าสำคัญต้องมาปกป้องตัวตนปกป้องตัวเองยอมใครไม่ได้พวกนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่แหละคือมายาเราสร้างมายาขึ้นมาเองแล้วก็หลงไปกับมายาทั้งหลายเพราะฉะนั้นนาทีของเราต้องพยายามเจริญสติพยายามรักษาจิต เรื่องร่างกายก็เอายอมรับเรามีร่างกายอ่ะแต่ไม่ต้องไปหลงมันมากหรอกไม่ต้องไปเอาปกเอาใจมันมากก็เอาพอมีชีวิต อ, อยู่ได้นี่แหละแต่ขอให้ได้ปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปประดับประดาไปประดิษฐ์ประดอยอะไรมันมากมายไม่ต้องไปสร้างสร้างภาพสร้างอะไรขึ้นมาให้มารักษาจิตเรานี่อะไรเกิดขึ้นก็พยายามอยู่กับจิตเราไปกันหลายหลาคนเนี่ยโอ้ต่างคนต่างอยู่กับจิตตัวเองเนี่ยมันน่าดูมากเลยนะ มองดูแล้วมันสำรวมมันสงบมันมีพลังอ่ะเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าเวลาพระเจ้าเสด็จไปที่ไหนอ่ะสาวกขององเสด็จไปนี่เป็นห้ารอเป็นพันนะทีนี้ก็มีปริพาชกอ่ะก็เดินตามพระเจ้าไปมองดูสาวกของพระเจ้าโอ้สงบสงเวยมหน้าศรัทธาหน้าเลื่อมใสมองดูสาวกของตัวเองที่นี่ โอ้โหมันยังกระลิงกระข้างเลยอ่ะเพราะมันไม่มีสติเขาไม่รู้จักวิธีฝึกจิตก็อิจฉาพระพุทธเจ้าก็ ค, าคอยกันคอยแก่งอะไรพระพุทธเจ้านี่อันนี้มันมีในพระไตรปิฎกอ่ะพวกเดรัทธีพวกปริพาชพกเพราะนั้นเวลาสาวกของพระเจ้ามาพบกันอันดับแรกเลยนิ่งนิ่งอย่างพาลีเจ้าหมายว่านิ่งแล้วก็มาดูจิตตัวเองต่างคนต่างอยู่กับจิตตัวเอง ใครจะทำอะไรมันไม่ค่อยไปสนใจมันก็สนใจตัวเองอยู่อ่ะควรเกี่ยวข้องอะไรก็เกี่ยวข้องไปปัญหาก็น้อ ย, อยเรื่องราวอะไรที่มันจะเข้ามาลุมจิตน้อยเหมือนเราเข้ามาที่นี่ใครจะกราบจะไหวจะเดินไปตรงนั้นตรงนี้จิตมันมันมันยอมรับอ่ะมันวางอุเบกขาได้อ่ะเพราะมันมาอยู่กับจิตเรามาอยู่กับตัวเรานี่สมัยสาวกพระยอเป็นอย่างเงี้ยนิ่งกัน เรียว่านิ่งอย่างพระอเรียเจ้าคือต่างคนต่างเข้ามาอยู่กับตัวเองยิ่งผู้ที่ไม่มีทุกข์แล้วนี่จิตท่านไม่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อะมันเป็นธรรมชาติของมันอ่ะมันก็มีแต่มองอะไรไปมันก็เป็นปัญญาไปมันก็หลุกซึ้งยิ่งมีอะไรมันที่มองเห็นโลกเขาวุ่นวายมากๆโอ้โหจิตมันยิ่งย้อนเข้าไปหาตัวมันเองอ่ะทิ้งหมดทุกอย่างเลยในจิตอะไม่ใช่หลับตาเนะี่ยแค่ลืมตาอยู่นี่แหละ พราะมันเห็นอะไรที่มันสับสนวกวนคนลุ่มคนหลงมากๆโอ้โหมันไอทำนี่มันวางหมดเลยวางโลกมันวางข้างในไม่ใช่ว่าวางข้างนอกข้างนอกก็ยังเกี่ยวข้องอะไรไปใครมาหามันก็ยังมองดูหรือทักทายก็พูดคุยได้แต่ข้างในมันไม่เอามันไม่เอามันเป็นอิสระเพราะว่ามันเห็นอำนาจความหลงมันทาให้คนเป็นทุกข์ทำให้คือเดือดร้อนทำให้คนว้าวุ่นทำให้คนวุ่นวาย ไทยบคนฟุ้งซ่านไทยบงคนไม่สงบไทยบาคนเป็นทุกข์แต่เขาไม่รู้ตัวหนีสงสารคือเขาไม่รู้ตัวมันก็เลยอเนจอนาใจของมันน่ะมันมันเห็นคุณค่าของความบริสุทธิ์มันเห็นคุณค่าของความสงบมันไม่เอาแล้วไม่ปล่อยใจออกไปยุ่งเกี่ยวกับโลกมันเป็นของมันเองด้วยหดตัวพับเข้ามาอยู่ข้างในอยู่ข้างในเฉยเฉยนิ่ง แต่ก็ยังพูดอยู่ยังเคลื่อนไหวอยู่แต่ข้างในนิ่บางคนสัมผัสได้บางคนก็ไม่ได้สังเกตไม่รู้แต่บางคนแค่มองดูก็รู้ว่าคนไหนสงบคนไหนไม่สงบคนไหนอยู่กับจิตตัวเองเพราะฉะนั้นคุณค่าของชีวิตเนี่ยมันจึงอยู่ที่ตรงจิตของเรานี่แหละแค่จิตมันปล่อยวางอารมณ์ข้างนอกแล้วมันกลับเข้ามาข้างในโอ้นี่ก็สบายเยอะแล้วนะที่มันไหลออกไปข้างนอกเพะอะไรอ่ะ มันไปยึดข้างนอกนมีอุปทานมันไปเกาะเกี่ยวอะไรอะ่ะพุทธเจ้าก็บอกแล้วเนี่ยกรรมมาคุณทั้งห้าลูกมันไปเอารูปไปเอานู่น เ, เอานี่เรื่องคนนั น, น, นสิ่ง น, นีสิ่งนั้นสิ่งนี้ข้าวของเงินทองเครื่องใช้ไม้สรอยอาหารการกินทุกอย่างฝ่ายเป็นฝายลูกมันจเจ้ามาทําให้ตัวเองมีสุขเป็นสุขเขาเรียกกรรมมาสุขเสียงมันก็อยากได้เสียงไพเราะเพราะพิ้นเสียงร้องเพลงเอามากลม แต่ถ้าคนที่จิตสงบแล้วมันมันคนละเรื่องอ๋อไอ้มาพอดีมันพอดีกับระบบประสาททางหูมันก็เลยเพาะขึ้นมามันพอดีกันมันก็เพาะทํามันไม่พอดีเนี่ยโอ้โหมันแสลงหูเลยนะไม่สบายขึ้นมามันเป็นทุกขเวทนาทามันพอดีมันเป็นสุขเวทนาก็แค่เวทนานั้นแหละแต่มันหลงมันหลงคนเราอ่ะมันจะเอาสุขเวทนามันไม่รู้ว่าสักว่าเวทนาด้วยจะมูก็อยากได้กลิ่น กลิ่นที่มันพอดีกันมันก็จะมีสุขเป็นสุขมันจะรู้สึกเป็นสุขมีกลิ่นหอมพอดีกับจมูกเราประสาทในจมูกของเราไม่พอดีก็อีกละเป็นทุกข์อีกละความหนานแน่นของกลิ่นมันก็มีผลมันทำให้เกิดความรู้สึกสบายไม่สบายขึ้นมาลิ้นก็เหมือนกันมันมีระบบประสาทอยู่ในลิ้นเราอาหารมันก็จะมีรสเขาเรียกโอชารสถ้าอาหารชนิดไหน รสปุ๊บมันพอดีกับระบบประสาทในลิ้นมันจะรู้สึกสบายขึ้นมามันจะอร่อยอร่อยนี่แหละคือสุขเวทนาอร่อยไม่อร่อยนี่เป็นธรรมชาติของมันเพราะว่ามันพอดีกันอาหารอันไหนเรารับประทานอาหารประเภทไหนร้านไหนที่ไหนแล้วมันพอดีกับระบบประสาทในลิ้นเราปั๊บมันจะอร่อยรู้สึกอร่อยแต่ถ้าไม่พอดีถ้าไม่พอดีมากๆมันจะเป็นไม่อร่อยเค็มจัดเผ็ด ยืดจัดนี่มันไม่อร่อยอะแต่ถ้ามันเออยังพอได้อยู่อขาดนั่นนิดนึงถ้าเติมนั่นไปมันแหวมันจะสุดยอดจะพอดีนี่นี่คือมันมีความพอดีพอดีมากพอดีน้อยนี่มันเป็นธรรมชาติไอ้อย่างเงี้ยถ้าเรามีสติเรารู้ทานพุ่งนี้มันไม่เป็นไรอ่ะก็จะเห็นมันอ๋อไอ้รสเนี่ยมันอร่อยนี่แค่ตุบเข้าไปนิดเดียวเดี๋ยวกืนลงไปหายเลยเงียบเก็บเลยแต่ว่าอุปทานมันยึดเอาไว้ อันนี้อร่อยจะเอาอีกทำยังไงให้มันได้มามีตัวอุปทานเรารู้ไม่ทันเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจธรรมชาติว่าอร่อยไม่อร่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะมันพอดีกับระบบประสาทในดินของเราถ้าเรารู้อย่างนี้รู้ว่าอร่อยก็เออมันพอดีกันมันก็จบมันก็ไม่มีอุปทานใช่แล้วเรารับประทานเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ได้ แล้วคุณค่าของชีวิตยอยู่ที่ไหนคือได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะตรงมาที่เป้าหมายของชีวิตเราทำให้ชีวิตของเรามันมีแก่นมีสารมีสาระขึ้นมาเราก็จะเป็นสาวกของ พ, พุทธเจ้าอย่างแท้จริงขึ้นมาเพราะเราไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยอะไรมากมายหรอกเอาเนี่ยเขามปหาจิตของเรานี้กิริยาอาการท่าทางภายนอกก็เอาก็ตามอัธยาศัยอยู่กันไปมันไม่ใช่เป็นสาระแก่นสารอะไรของชีวิตอ น, นั่นน่ะ ภายนอกก็ไม่ต้องไปทําอะไรที่มันฝืนเอาเป็นธรรมชาติของแต่ละคนนี่แหละแต่ละคนก็ทํากรรมมายังไงนิสัยอัธยาศัยเป็นยังไงก็ทาไปแต่ว่ารักษาจิตเอาไว้พยายามมีสติรู้สึกตัวเอาไว้ถ้าอย่างนี้มันจะเข้าไปหาแก่นแท้ของชีวิตได้สิ่งที่มันถูกต้องสัมผัสก็เหมือนกันเน่ยเรามานี่อากาศมันหนาวมันก็ต้องการความอบอุ่นก็เอาให้มันดิเพราะมันหนาวนี่นะ มีเสื้อผ้านั่นนะมีอะไรให้ความอุ่นแก่ร่างกายมันก็ทําได้แต่เราทําเพราะว่าเราก็มีเหตุผลนะเพราะามันหนาวมันหนาวแล้วมันมันเป็นทุกขเวทนาต้องการระงับทุกขเวทนานั้นให้ความอุ่นแก่ร่างกายป้องกันอาภาษทด้วยป้องกันมันเจ็บป่วยไข้นี่มันก็มีเหตุผลขึ้นมามีปัญญาขึ้นมาเราก็ไม่มีอุปทานมันก็ไม่ไปยึดไปติดไปคองเพราะงการที่เอาจิตของเรากลับเข้ามาอยู่กับตัวเองมันเหมือนมันวางวา ง, วางเรื่องลูก วางเรื่องเสียงวางเรื่องกลิ่นวางเรื่องรสวางเรื่องโภตาพะที่มันมาถูกต้องสัมผัสกับเรามันกลับเข้ามาเป็นสุขในสมาธิเขาเรียกวสมาธิสุขสมาธิสุขหรือเรียก ว, ว, ว่าเนคข ม, มสุขเนคข ม, มสุขก็คือออกจากตามแค่เราได้ออกมาอยู่ตามลำพังจิตมาอยู่แค่ความสงบเป็นสมาธิอยู่ตามลำพังเนี่ยรสชาติมันก็มีคุณค่ามาก ลองเปรียบเทียบกับสุขที่มันได้นู่นได้นี่นะโอ้โหมันบางทีมันสุขเองตามลําพังนี่ไมันมันสุดยอดเหมือนกันนะพอมันสุขโดยไม่ต้องหวังรูปหวังเสียงหวังกลิ่นหวังรถหวังอะไรข้างนอกอ่ะมันสุขตามลําพังของมันเนี่ยแล้วมันมีความลึกซึ้งด้วยมันมีความลึกซึ้งอยู่ข้างในอ่ะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจิตที่มันลึกซึ้งอ่ะมันลึกซึ้งลงไปลึกซึ้งลงไปอ่ะ พเราไม่รู้จักยังไม่ฉลาดยังไม่รู้จักวิธีที่จะใช้จิตให้มีปัญญามันจะซึมลงไปซึมลงไปแล้วเข้าไปอยู่ข้างในเข้าไปแช่อยู่เป็นนิ่งอยู่ไปเฉยอยู่ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะสมาธิมันมากเกินไปสมาธิที่มากเกินไปมันคมจิตเลยคิดอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้มันก็เลยเป็นนิ่งเหมือนตอไม้อะบางทีกลายเป็นเสื่องเป็นซึมไปก็มีบางคน่ะ มันหนักเกินไปมันมากเกินไปสมาธิมันมากเกินไปอ่ะสติสัมปชัญญะมันกาลังมันมันไม่พอมันไม่เกิดปัญญาขึ้นมาแต่ถ้ามันสงบมันพอมีกําลังแล้วเราสบายแล้วอารมณ์ข้างนอกดับไปหมดแล้วถ้าใครสามารถที่จะขยายความรู้สึกออกมาได้แบบปล่อยวางอ่ะแบบไม่มีเราอ่ะทาแบบเหมือนกับว่าไม่เอาอะไรอ่ะหรือว่าให้มันมาดูเลยดูเลย อย่างผู้เจ้าท่านก็สอนให้เจริญสติฐานสอย่างเงี้ยก็คือฝึกดูฝึกดูไปก่อนไม่ให้มันเข้าไปเอามาดูเพื่อที่จะให้มันกําลังสมาธิเนี่ยมันเข้มแข็งซะก่อนให้มันตั้งมั่นซะก่อนนี่เขเจริญสติฐานสี่หรือมาพิจารณาขันห้าอย่างเงี้ยเพื่อให้สมาธิมันแนว่วแน่ด้วยแล้วก็มีสติสัมปชัญญะด้วยแล้วก็มีปัญญาด้วยต้องการที่จะพัฒนาจิตให้มีคุณภาพขึ้นมา เพราะนั้นมีเยอะเหมือนกันที่พอเป็นสมาธิแล้วก็ไปนิ่งนิ่งอยู่พอออกมาแล้วก็หายสมาธิหายไปก็ไปเข้าสมาธิใหม่บางทีพอกระทบอารมณ์แล้วมันมันอารมณ์มันมันรุนแรงอะ่ะพออารมณม์แรงกระทบจิตแรงแรงมันเข้าสมาธิไม่ได้มันก็ยิ่งทุกข์มากเหมือนกันพอเคยสุขเคยสบายแล้วอะ่ะพอเข้าสมาธิไม่ได้มันมันทุกข์มากแต่ถ้าหาว่าใครทําตามผู้ย่อสอนอะ่ะตอนแรกก็จําเป็นก่อนมีสติมีสติทุกข์ยาบท ใครสามารถบอกกับตัวเองได้ว่าทําอะไรอยู่ก็ตามถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ได้รับประโยชน์มากพอสติมันจะตื่นอยู่ตลอดเป็นสติแบบตื่นพอสติมีมกําลังล้วมันจะคุมจิตได้ถ้าจิตจะลงไปพักยังไงมันก็ตามลงไปได้รู้ได้จิตนิ่งก็รู้ว่านิ่งสงบรู้ว่าสงบพอจิตเริ่มขยับตัวออกมาก็เริ่มดูกายได้ดูเวทนาได้รู้จิตได้ อ, อย่างนี้มันไม่ติดเนี่ย แต่ถ้าจิตที่มันมันลืมตัวลงไปไปแช่นิ่งอยู่แบบไม่รู้ตัวแบบเหมือนมันถล่มเข้าไปในตัวสมาธินั่นน่ะไปจมอยู่ออกมาแล้วก็เหมือนไม่ได้อะไรแต่ว่ามันพักมันก็สบายถ้าสมาธิยังอยู่มันก็ถ้ามวลากระทบอารมณ์มันก็มีอารมณ์มันก็ไม่เข้ามากุ้มลุมจิตแต่พอสมาธิมันหายไปอย่างนี้มันก็หมดเนี่ยมันก็หมดไปเหมือนเหมือนไม่ได้อะไร เพราะฉะนั้นเราเราต้องฝึกความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเอาจิตของเราเนี่ยเข้ามาอยู่ข้างในก่อนแต่ถ้าจิตมันยังทำท่าจะไปอยู่เรื่อยนี่ต้องคุมไว้ก่อนอันนั้นนะคุมไว้ก่อนแต่ถ้าจิตมันเริ่มอยู่แล้วอะไรเป็นเราตรงไหนเป็นเรานี่นี่เริ่มเริ่มที่จะเอามาดูแล้วที่นี่ถามมันได้เลยตรงไหนเป็นเราร่างกายเป็นเราไหมส่วนไหนเป็นเราไล่ดูได้เลย มันตายต้องตายแน่นอนเนี่ยไอ้ร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี่มันตายของตายชัดๆเลยมันตายตั้งแต่มันยังไม่เกิดเพราะมันเกิดมาแล้วมันต้องตายถ้าใครรู้แล้วว่าเกิดมาต้องตายเหมือนมันตายตั้งแต่ยังไม่เกิด <c oughs> การเวียนไมยตายเกิดถ้าใครรู้รู้ซึ้งว่าเออ เ, เกิดมาแล้วต้องตายเกิดมาแล้วต้องตายแล้วไม่ได้อะไรโอแคน่นี้พระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเห็นภัยในปรโลกแล้วเนี่ยคนที่ออกจากทุกข์ได้ต้องเห็นภัยในปรโลก เห็นภายในวันตัสาสงสารเพราะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประกาศอรรมะธรรมของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็พอตรวจสอบดูธรรมะที่มันละเอียดลึกซึ้งในจิตอ่ะโอโ้โหมันเปรียบเทียบกับชาวประชาทั้งหลายประชาชนทั้งหลายชาวโลกทั้งหลายเนี่ยโอโ้โหอะไรยึดติดข้องกันหมดเลยในสมัยพระเจ้าตัดสรู้เป็นอย่างนั้นเลยนะยังไม่มีใครรู้ธรรมะเลยพระองค์ตัดสรู้องค์เดียวจิตสะอาดบริสุทธิ์เป็นอิสระตรงนี้แหละกายต้นสีมะโพนี่ วัแตสรุปปั๊บทีนี้จิตมันก็บริสุทธิ์แล้วทีนี้สเสวยวิมุติสุขปั๊บมันสุขอยู่โดยธรรมชาติของมันอะจิตก็พิจารณาธรรมวัตัสรุ้อะไรอ๋ออะไรเกิดแล้วก็ดับอะไรเกิดแล้วก็ดับมันไม่มีเราสักอย่างมีสรุปเลยนะเนี่ยไม่ได้พูดตามปริยัติแล้วนะเนี่ยพูดตามภาษาของจิตแล้วเนี่ยคือผู้เจ้าเห็นอะอย่างที่ว่าเออเอาเอาง่า ย, ายๆเลยนะภาษะเนี่ยอย่างภาษะเนี่ย มันกระทบอารมณ์ปั๊บเนี่ยมันก็ต้องมีเวทนานเกิดขึ้นเหมือนเอาไม้มาสีกันอย่างนี้มันก็ต้องเกิดความร้อนเพราะฉะนั้นเวลามีอารมณ์มกระทบปับ๊บมันจะต้มีความรู้สึกเกิดขึ้นสุขทุกข์หรือว่าเฉยเฉยนี้มันเกิดโดยธรรมชาติถ้าเราไปอยากให้เรามีความสุขปับ๊บอันนี้ยังไม่มีเราแล้วเราสุขเนี่ยมีเราแล้วเนี่ยจริงๆมันมันแค่เกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับอาวเจ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีเราเลยไม่มีเราเลยไม่มีตรงไหนเป็นเราเลย ฝายลูปก็เอ้าม no no ันต้องแตกดับสลายไปเนี่ยมันมีอะไรเลยอ่ะมันก็อยู่ของมันอ่ะรอเวลาที่สลายไปตามธรรมชาติมันเฉยๆนี่ก็ปล่อยได้แล้ววางได้แล้วมันมีเราอยู่แล้วที่ได้จิตที่นี่อะไรเกิดขึ้นปั๊บเกิดแล้วก็ดับความคิดเกิดแล้วก็ดับสัญญามาเกิดแล้วก็ดับความรู้สึกเกิดแล้วก็ดับท่านดูเห็นว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอะฝ่ายน้ำก็ไม่มีอะไรเลยฝ่ายรูปก็ไม่มีอะไรเลยแต่ความหลงที่นี่ความหลงที่นี่ สุขมากก็เราสุขอยากให้อยากให้สุขตลอดไปอยากให้สุขตลอดไปด้วยอยากให้เที่ยงเลยความสุขเนี่ยถ้าทุกมาก็อยากให้หายสูญไปเลยอ่ะพอไม่หายก็เดือดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเพราะเพราะว่าเราไปยึดเราไปหลงแบบเป็นเร า, าเราไม่เห็นว่ามันเกิดดับไม่เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเมื่พระเจ้าท่านเห็นอย่างนี้ท่านบอกโอ้ยชาวประชานี่มันยึดอะไรเอาบอลไปหมดเลยอะมีอุปทานยึดนั่นยึดนี่ไปหมดเลย โอ้และธรรมะของเรานี่สอนแล้วแล้วใครจะไปรู้ถ้าไม่มีใครรู้มันก็เหนื่อยเปล่าเาก็ไม่อยากสอนเนี่ยเวรพลมสามบูดีพลมจึงมาอารัตนาตรงนี้นี่ใต้ต้นสีมาพาภูอภิรัต น, นาเลยโอ้พระพุทค์ไม่สอนวิยาศาสตร์นี่โอ้ชาวโลกนี่สิ้หายแน่ผู้ทธมีทุดีในดวงตา น, น้อยที่มีปัญญาฟอยรับฟังธรรมของพระองค์อะต้องมีเป็นแน่ผู้โก็ใช้ตรวจสอบดูเลยพราะมีคนอภิรัตนาปั๊บใช้ยานตึ๊บ ตรวจสอบดูโอ้เห็นเลยบางคนมีปัญญามากบางคนมีปัญญาน้อยบางคนอินซีกล้าบางคนอินซีอ่อนบางคนรู้เร็วบางคนรู้ช้าบางคนสอนง่ายบางคนสอนยากบางคนเห็นภัยในปรลโลกบางคนไม่เห็นภัยในปรลลโลกบางคนอาการดีบางคนอาการเร็วนี่เพระองค์ตรวจสอบดูรู้หมดเลยพอเข้าใจอย่างนั้นก็ประกาศเลยอ้าวต่อไปนี้เราจะประกาศอามาตัดรมแล้ว ขอเชิญผู้มีศรัทธาจงเปิดประตูศรัทธามาเถิดพูดกับพรมอย่างนี้เลยนะนี่เราวันนี้ก็มาเปิดประตูศรัทธาเหมือนกันอุตส่าห์ตามพระพุทธเจ้ามาถึงสถานที่ตัดสินนี้วิธีการก็เราก็รู้แล้วนี่เราล้ำเรียนมาได้ยินได้ฟังมาก็มากแล้วครูมีสติพยายามรักษาจิตแต่ภาคปฏิบัตินี้เรายังประมาทอยู่ที่เห็นนี่นะประมาทอยู่ ยังปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปจิตปล่อยใจยังขาดความจริงจังมุ่งมัน่นแต่ก็อยากคนทุกข์เหมือนกันไม่อยากมีทุกข์เหมือนกันแต่ว่าเหตุมันยังไม่พอสร้างเหตุยังไม่พอพอสร้างเหตุไม่พอนี่มันไม่เป็นไปตามความอยากหรือไม่อยากของเรามันเป็นไปเพราะเหตุมันเพียงพอ เพ น, นั้นหน้าที่ของเราหน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ของสาวกของพระพุทธเจ้าก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาถึงสถานที่ตัดสู้ของพงแล้วต้องแน่วแน่และต้องสอนตัวเองอย่างจริงจังแล้วว่าต่อไปนี้เราจะต้องพยายามมีสติทุกเรียบทโดยเฉพาะในช่วงที่เรามาที่นี่ถ้าใครสํารวมดีก็จะได้รับผลดีแล้วถ้าจิตใครดีนี่นะ ทำอะไรก็สิ่งดีๆก็มักจะตามมาความสําเร็จสมความปรารถนานี่มาจากจิตที่ดีงามหมดเลยอเขอให้จิตดีเถอะรับรองได้เลยต้องดีขึ้นชีวิตเราต้องดีขึ้นแล้วก็ได้พูดแล้วว่าการตอบแทนผู้มีพระคุณมากคุณน้อยเนี่ยนี่นการที่เราสามารถเอาจิตเรากลับเข้ามามาสงบอยู่ภายในนี่คือตอบแทนคุณอย่างแท้จริงเลยบูชาคุณผู้เจ้าอย่างแท้จริง ตอบแทนคุณอย่างแท้จริงขนาดพระพุทธเจ้ายังรับรองเป็นการบูชาคุณอย่างแท้จริงบูชาเราอย่างแท้จริงแล้วคุณของพ่อคุณของแม่คุณของผู้ที่มีบุญคุณกันเราทั้งนั้นเลยตอบแทนคุณได้ทันทีเลยไม่เป็นหนี้ใครละถ้าว่าจิตมันสามารถเข้ามาอยู่กับเองได้นะหรือนี่มันก็ลดลงลดลงไปหนี้ชีวิตเนี่ยแล้วก็จะซาบซึ้งไปหมดเลยนะ โอ้ใครที่ทําให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราทร ม, มานเจ็บปวดมันกลายเป็นธรรมะไปเลยโอเ้เขามีบุญคุณนะทำให้เราเห็นทุกข์เห็นโทษทําให้เราหันมาปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าทํำเห็นทุกข์มากขึ้นทําให้มีสติขึ้นมาทําให้อยากปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าจะไม่ไปโทษเขาเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นกรรมเวีที่เราทํามาอุยตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้มากม า, มายมหาศาลเลยนะที่ผักดันทําให้เราเวียนว่ายตายเกิด ไอ้พวกเหล่านั้นก็มีส่วนทําให้เรานี่แหละได้มาพบธรรมของพระเจ้าแล้ววันนี้บางครัง้งบางคราวความทุกข์มันก็มาสอนทําให้เราได้สติขึ้นมาทั้งฝ่ายกรรมดีที่เราเคยกระทําบําเพ็ญได้ฟังธรรมะของพผูทาา้ท้เจ้าบังธรรมะของครูบาอาจารย์ตรงนั้นตรงนี้บงังถูกอบรมสั่งสอนมาประมวลเข้ามาหมดอ่ะการที่มาถึงตรงนี้ได้เนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าถือว่าเราโชคดีละ แล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะต้องมุ่งมั่นที่จะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าแหละมีหลักคุณค่าของชีวิตอยู่ตรงนี้เลยแล้วคุณค่าของการมานมัสการสังเวชนิยสถานหรือมาปฏิบัติธรรมของเราที่ประเทศอินเดียก็จะสมบูรณ์มีคุณค่าจริงแล้วบางคนก็อาจจะได้หลักได้อะไรกลับไปก็ได้มีหลายคนนะบางคนภาวนายังไม่ได้เลยนะมาที่เนี่เขากลับไปเขาภาวนาได้เขาบอกยืนนี้ภาวนาทุกคืนเลยเขาบอกเลยนะ เขามารู้มันเหมือนกับมันมีสภาวะแวดล้อมหลายสิ่งหลายอย่างที่นี่แล้วยิงมีธรรมะอะไรด้วยเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจของเรามันมีกำลังทำให้เราสติของเราดีขึ้นมาทำให้ศรัทธาเลื่อมใสกับบริบูรณ์สมบูรณ์สติก็นดีขึ้นสมาธิดีขึ้ น, นปัญญายาณเกิดขึ้นคนที่ไม่เคยสงบเลยก็สงบบางคนสงบแล้วก็หลับก็ตื่นขึ้นมา มีรู้ว่าเวลาภาวนาต้องมีสติมีสัมปัจญะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็รู้ว่าต้องพยายามให้เห็นว่าไม่ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเร า, เาวันนี้ก็จะให้ดูตัวเองสักระยะหนึ่งนะเพราะว่าเรามีเวลาจากัดอยู่นะจะให้เราได้ปฏิบัติบูชาตามลาพังนะเราก็ได้พยายามทำดีที่สุดแล้วครั้งนี้กรรมเวรอะไรเราล้างมลทินออกไปหมดแล้วไม่มีค้างคาอยู่ในใจิตใจ ใครเคยล่วงเกินเรายังไงเคยทํานีติเตียนเราเคยมินทาว่าลายเราเคยโกงเหงลังแกนเราเคยทุกเคยตีเคยกันเคยแก้งเคยเอาละเราเปรียบล้างหมดเลยเนี่ยล้างไปหมดแล้วรวมทั้งที่เคยผิดบาปล่วงเกินพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วนี่เราเองก็ประกาศให้อภัยหมดแล้วนี่เพราะนั้นก็จิตของเรามันก็พร้อมแล้วทีนี้บอกกายถวายชีวิตพระพุทธเจ้าพาระธรรมพระสงฆ์ เรียบร้อยออกมาจากใจเราแล้วก็ได้มาปฏิบัติบูบชาด้วยฟังธรรมะของพระ เ, เจ้าด้วยนี่แหละบุญเก่าของเราต้องมีด้วยบุญใหม่ก็มากประมาณไม่ได้ด้วยบุญเก่าบุญใหม่ก็เขาไปรวมกันมันก็ให้ผลให้ผลเร็วให้ผลนี่นี่ให้ผลนี่มันที่สุดท้ายไม่เอาอะไรนะคิดว่าให้ผลเนี่ยมันทําให้จิตใจมั่นคงขึ้นมาสุดท้ายต้องไม่มีอะไรเลยไม่มีเราเลย เพื่อไม่มีเรานะไม่ใช่จะเอานู่นเอานี่เลยนะสุดท้ายไม่มีเราอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าไม่มีเราผู้ชายตัดสืบุ้งตัดสืบู้ไม่มีเราไม่มีตัวตนร่างกายรูปธรรมไม่แต่รูปร่างกายของผู้ชาก็ต้องแตกดับสลายไปเหมือนกันดับขันทะปรินิพานดับขันดับขันขันมันตายจริงแต่ว่าจิตของผู้ชายไม่ยึดขันปล่อยวางขันก็ไม่เอาขันไปเกิดอีกเขาเรียกว่าดับดับขันทะปรินิพาน์ ไม่เอาขันไปเกิดอีกเพราะนั้นเราต้องรู้เป้าหมายของพระพุทธเจ้าพระประสงค์ของมุนเจ้าการอุบัติขึ้นมาของมุนเจ้าก็เพื่อนี่แหละเพื่อไม่เอาเวีนไม่ตายเกิดอีกก็คือต้องมาเห็นความจริงจิตใจหมอผู้เจ้าเห็นแล้วเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ในจิตเนี่ยเรานั่งอยู่นี่ถ้าเอาความคิดมันแว บ, บไปเนี่ยเดี๋ยวกระดับแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรอ่ะถ้าสติเราดีมันก็แค่นั้นเองทําไมมันจะฟังไม่ออกอ่ะสัญญาดึงเรื่องตึ๊บเข้ามา ถ้าสติเราดีก็เห็นแล้วสัญญาก็ดับไปมันก็ปุงแต่งขึ้นมาไม่ได้นี่ตัวสัญญาณตัวการสัญญานี่สําคัญมากเราไปเห็นหนูน่นนี่อยากได้ได้มาแล้วอยากให้มันมั่นคงอยู่ตลอดไปนี่พวกนี้มาจากสัญญาหมดอ่ะเพราะนั้นต้องทําสัญญานะตึบเข้ามาเดียวมันก็ดับไปมันก็ส่งให้สังขารไม่ได้ส่งให้เวทนาไม่ได้สร้างปุงต่อขึ้นมาไม่ได้วิญญาณก็แค่รู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉย มันเจ็บขึ้นมาเรานั่งนนมันเจ็บเนี่ยดูได้ตัวเจ็บเนี่ยตัวดูก็คือตัววิญญาณตัวเจ็บเป็นเวทนานี่เราดูขันห้าแล้วเนี่ยถ้าเราไม่อยากเจ็บอยากให้เจ็บหายกระวนกระวายขึ้นมาเนี่ยเราก็ยึดยึดเวทนามาเป็นเรายึดร่างกายมาเป็นเราเราก็ไม่อยากเจ็บเพราะมันมีเราขึ้นมาแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> <S นี่ธรรมะมันมันมันชัดเจนแต่ถ้าหาว่าเวทนาอยู่ที่ร่างกายสักเราเวทนาก็ปล่อยได้ก็เวทนาเฉย จิตเราไม่ไปยุ่งก็จบแล้วเวทนาเราอยู่ของมันยิ่งดีเลยเนี่ยเครื่องทดสอบเหมือนนางมวยขึ้นเวทีอผมก็มีคู่ต่อสู้สิฝีมือมันถึงจะร่วมฝีมือเป็นยังไงต้องพัฒนาด้านไหนบ้างวันนี้ก็มีคู่ต่อสู้มันเจ็บขึ้นมานี่นี่แหละเป็นเครื่องมือฝึกจิตละก็มันอยู่ที่ร่างกายไม่ใช่หรือร่างกายก็ตายอ่ะของตายอ่ะในเมื่อร่างกายก็ไม่ใช่ของเราเวทนาเป็นของเราได้ยังไงถ้าไปมันมีมันยังเจ็บอยู่มัน คนไม่ไว้อยู่ก็แสดงว่านั่นน่ะมีอุปทานไปยึดเวทนาว่าเป็นเราเป็นของเราก็ยึดกายว่าเป็นเราเป็นของเราก็คือยึดจิตด้วยนั่นแหละมีแต่เรามีแต่เรามีแต่เร า, เ, ร า, เ, ราเพราะนั้นเราต้องวางหมดไม่เอาอะไรเวทนามากาดูเฉยฝึกเลยฝึกจิตเลยเจ็บๆไปรักษาจิตเอาไว้ฝึกจิตอย่างดีเลยเสียงนกหวีดเตือนแล้วให้ดูเป็นโอกาสสุดท้ายเลยนะนี่ก็เหมือนกันเป็นเครื่องมือฝึกจิตอีกอย่างหนึ่ง เราเอาแอค่ห้านาทีห้นาทีฟุกจิตไปเลยดูกังวลไหมเราเตรียมตัวนะรวบรวมบุญนะบุญทั้งหมดเลยนะเราต้องการที่จะอุทิศบุญผู้ที่ต้องการบุญมีเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องรวบรวมบุญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่ต้องการให้บุญมีกำลังมากๆรวมเข้ามาเลยรวมเข้าไว้ที่จิตของเรา แล้วจะพูดแทนเลยนะเราก็ให้บุญออกไปให้บุญออกไปเหมือนกับบุญออกไปจากจิตเราแล้เวเราอยากให้บุญใครเราก็ย้ําลงไปให้บ่อยๆให้บ่อยๆวันนี้บุญเรามากได้ทั่วถึงเราวันนี้ก็พอแค่นี้นะ